ท่านสาธุชนมุทธบริษัททั้งหลายสาหรับตอนนี้เป็นตอนที่ส6บหกสหรับตอนที่16หนี้ก่อนจะพูดเรื่องอื่นก็ขอเตือนกันไว้ก่อนว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกตอนที่ส5บห้าหนีสิมปรีนรกแต่ตอนที่ส6นี้หนีทุกข์ขม ท้งนี้พะอะไร่ก็เพราะว่าเป็นเรื่องของวาจาที่ต้องพูดแต่ก่อนจะพูดถึงวาจาก็บอกลีลาการหนีนรกกันก่อนการหนีนรกขอถือตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระชินนวร์คือพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดว่าถ้าบุคคลใดละสังโยชน์สามรายการได้ว่าตัดสังโยชน์สามรายการได้ ท่านผู้นั้นบาปเก่าทั้งหมดตามไม่ทันไม่สามารถลงโทษได้แล้วก็ท่านผู้ น, นั้นจะไม่มีการตกมรรคให้เกิดเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉันต่อไปอีกทุกชาติที่เกิดจะเกิดเมื่อไรจะตายเมื่อไรก็ตามจะวนเวียนแต่เฉพาะเป็นมนุษย์เทวดากับพรมแล้วต่อไปถ้ามีกำลังเต็มก็ปนิพาน การตัดสงโยต์ตอนสามรายการก็ขอบอกกันแบบง่า ย, ายๆมาเยาะๆพูดมากก็ฟังยากวิธีตัดง่ายๆก็คือหนึ่งให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอและก็เวลาเดียวกันนั้นก็ตั้งอารมณ์แห่งความดีทางไปสวรรค์ คือเกาะสิ่งที่มีกําลังใหญ่หนึ่งคือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจยอมรับนับถือด้วยความพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจหลังจากนั่นก็ทรงสิ้นห้าบริสุทธิ์ถ้ามีกําลังใจละเอียดดีขึ้นก็ใหทรงกําหนดสิทธิบริสุทธิ์ อย่างนี้ท่านเวลาท่านเป็นมนุษย์ท่านก็มีความสุขตายแย่ความเป็นมนุษย์ก็ไม่พบความทุกข์เพราะเทวด า, ากับพรหมไม่มีความทุกข์ที่เม้ามีกําลังเต็มอะไรปานิพานเหมือนนั้นก็พูดกันไว้แค่นี้ก็แล้วกันเป็นการเตือนใจบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> สําหรับวันนี้ก็จะแนะนําคาถามมหาเสน่ห์ ถ้าถามว่าพระมีกระฐามหาเสนด่ดยหรือต้องตอบว่ามีถ้าถามว่าใครเป็นครูก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูถ้าจะมีคนถามว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดกิเลสได้แล้วยังมีเสน่ดุหรือ <c oughs> ก็ต้องตอบว่าคนไหนถ้าตัดกิเลสเต็มมากเสน่ดุก็มากตัดกิเลสได้น้อยก็เสน่ดุก็น้อยลงมา ถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้เลยทะครับสิ่งที่ไม่เป็นสเสน่ห์พยายามสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสเสน่ห์ขึ้นมาก็มีสเสน่ห์เหมือนกันคำว่าสเสน่ห์แปลว่าความรักความรักซึ่งกันแะกันเป็นการเยื้อใจแห่งความรักที่ดึงกำลังใจเขาผู้คนอื่นให้มารักเราและก็เราเองก็ถ้าคนอื่นเ้าทำเราก็รักเขาเหมือนกัน ถ้าต่างคนต่างมีมหาเสน่ห์บรรดาเต็มพุทธบริษัทโลกนี้จะมีแต่ความสุขจะหาความทุกข์ไม่ได้ความทุกข์จะมีบ้างก็แค่เรื่องของขันห้าขันห้าคือร่างกายมันก็ต้องแก่มันป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของขันห้าคือร่างกายและก็มันก็ตาย เราจะมีทุกข์อยู่บ้างกับความแก่เข้ามาถึงขร่างกายไม่ทรงตัวกําลังไม่ดีความเชื่องชายกัปรากฏก็หนักใจกอยู่นิดหนึ่งความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นมันก็มีความลําบากอยู่บ้างมีความทุกข์อยู่บ้างความตายจะเข้ามาถึงก็มีความทุกข์บ้างเพามีทุกขเวทนามากแต่นอกจากการทั้งสามอย่างนี้แเราเราจะมีแต่ความสุข ว่าคนที่มีเสน่ห์มากก็มีคนรักมากถ้าเราพบปะสังสรรค์กับสมาคมใดบางคนใดเราเป็นคนมีเสน่ห์สมาคมนั้นเขาไม่เกลียดผู <c> ้ <oughs> <c oughs> ที่จะเกลียดก็คือว่าคนที่มีเสน่ห์ไม่เท่าเขามีเสน่ห์น้อยเกินไปมีคนรักน้อยเกินไปอาจจะมีการอิจฉาที่สิยากันได้นี่เป็นของธรรมดา แ, แต่ถ้าพบหน้ากันเข้าจริงๆบ่อยๆ อ, อาการอิจฉาทิศยาก็จะหมดไปเหลือแต่ความรักข้าถามหมาทานในที่มีอยู่สี่ข้อสคำหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสไม่พูดส่อเสียดสไม่พูดเพอ้เอเจ้อเหลวไหล อันนี้จะเป็นคาถามหาเสน่ห์คำว่าคาถานี่มาจากภาษาบาลีแ <c oughs> ปล ว, ว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวก็หมายถึงคําพูดที่เราพูดไปเองคําพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยภาษาบาลีเทนี้ว่าคาถาแต่พอคนไทยพูดเข้าเลยก็เห็นหาว่าเป็นคาถามหานิยมไปเลยเป็นการเสกคาถาไปมาความจริงไม่ใช่ นี่พระพูดไม่ใช่หมอศยศาสตร์หมอสเสน่เล่ลมพูดพระพูดถือภาษาบาลีเป็นพื้นฐานเป็นหลักคาถานในที่นี้จึงถือว่าวาจาเป็นขงขึ้กล่าวคือคำพูดอาตมาจำถ้อยคำของท่านสุนทรพูดไว้ได้ตอนหนึ่งแสดง ว, ว่าคนเราจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปาก อย่าได้ยากหิวโหยเพ่อชิวหานั่นหมายความว่าจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปากพูดเสียงพูดออกไปอย่าได้ยากหิวโหยก็พ่อชิวหาคือลินล้นลิ้นเป็นเครื่องเอครื่องลิ้นเป็นเครื่องแต่งเสียงวันนี้ร่างกายไม่ดีมากแต่ขอทํางานตามหน้าที่ก็ปล่อยร่างกายดีก็มาดิพูด ถ้าไม่ได้พูดงายก็ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจก็ขอพูดทั้งๆทงี่เสียงก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีเพียมากเหลือเกินกรวมวความว่าคนเราจะดีจะชั่วยอยู่ที่ปากการพูดพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าต้องการมีสเสน่ห์หนึ่งอย่าพูดปดมดเทจแต่คนพูดปดมดเทศนี่ ถ้าเขาจับไม่ได้เป็นก็ดีการยอมรับนับถือยังมีอยู่ถ้าจับคําพูดปดมดเท็จได้เมื่อไรเมื่อนั่นแหละความเป็นที่เคารพนับถือก็ดีความเป็นมิตรสหายซึ่งการในการก็ดีาา ก, ก, ก็ต้องสลายตัวไปเพราะอะไรพวกเราเป็นคนทําลายประโยชน์เขาในเมื่อเราเป็นคนพูดปด คนที่จะคบหาสมาคมด้วยก็หายากเพราะว่าเขาพูดอะไรถ้าพูดกิจการงานกับเราเขาก็หวังไม่ได้ว่าเราจะพูดตามความเป็นจริงเรียกว่าเราจะต้องเป็นคนมีทุกข์มากไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยสําหรับคําพูดปวดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาลงซ้อมหนูแล้ว ความจริงข้อนี้ก็เป็นทั้งศีลทั้งธรรมนะศีลไม่แค่พูดปดกำมนดสิบก็เติมพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลข้อนี้ก็รวมทั้งศีลและก็ทั้งกำหนดสิบด้วยสําหรับวาจานี้บรรดาท่านหลายอัตมาเคยถามว่าการรักษาศีลห้าระวังตอนไหนส่วนมากจริงๆประว่นหนักใจที่พระมุสาวาต เพราะว่าเขาจำเป็นต้องโกหกเขาถือว่าจำเป็นอย่างการค้าขายที่บรรดาแทนผู้ริษัทถ้าไม่โกหกมันก็ขายไม่ค่อยได้บางทีไม่จำเป็นจะต้องโกหกก็ต้องโกหกเร่างพ่อค้าฟังเขาจะเกรดน้ำหน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบความจริงที่วันหนักใจก็ได้กับพวกพ่อค้าแม่ค้า มันดาท่านสตีทั้งหลายนี่หนักใจมากว่าสินสี่ข้อพอรักษาได้ไดกว่าข้อมูลสาวา ด, ดีหนักใจแต่ความจริงท่านจะไม่พูดโกหกได้ไหมลองไม่พูดโกหกดูดูที่จะรักษาจะขายของได้หรือไม่ได้ของดีเราบอกว่านี่ของดีจริงๆนะไม่หลอกลวงกัน อันนี้ดีขนาดกลางก็บอกนี่ดีขนาดกลางนี่ดีขนาดเลวก็ต้องบอกว่าดีขนาดเลวท่านถามว่าขนาดเลวทำไมจึงว่าดีก็เพราะยังเป็นของดีไม่แต๋วสลายผ้าไม่ขาดขันไม่แตกแก้วไม่แตกก็เป็นของดีแต่ว่าอัตราเขาหมันเป็นของเลวหยาบไปหน่อยสวยน้อยไปนิดเนื้อละเอียดน้อยไปหน่อยอย่างนี้เป็นต้น ก็เรียกว่าดีขนาดเลวแล้วก็บอกตามความเป็นจริง <c oughs> ข้อดีหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคงไม่หนักใจไม่ตอนหนึ่งเนระื่องราคาของของราคาของของนี่จำเป็นต้องโกหกกันถ้าไม่โกหกกันมันขายราคาแพงไม่ได้แล้วก็มีปัญหาว่าสมมติว่าของชิ้นนี้ ในท่าตลาดเ็าขายสิบบาทแต่ว่าต้นทุนจริงๆมันเป็นบาทสองบาทเท่านั้นไม่มากถ้ามีคนเข้ามาซื้อเขาขอลดไม่เหตตต่อบอกสิบบาทเขาขอลดเกบาทเกือบบาทถ้าต่อจะหมายความต้องไป11บาท12บสองบาทคงไม่มีคนซื้อคนไหนเขาต่อมาสูงขึ้นนี่คือว่าขอลดลง มาขอลดลงมาอย่างนี้ถ้าเราขายไปแล้วก็เสียราคาท้องตลาดถ้าขายถูกเกินไปนี่บันดาท่านพุทธบริษัทในสมัยทุกครามโลกคณิตสองอาตมาเคยพบมาตอนนั้นยังอยู่บริเวรวงสาวาทจะไปเทศที่นคนปรปฐมข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้ามาที่ภารัต ก็ขึ้นรถยนต์ที่นั่นโรถไฟสายไปเจอ ก, กระเป๋าถือลูกหนึ่งชอบใจก็ขเข้าไปซื้อตกลงกับเจ๊กว่าตอนยินจะมาเอาเขาบินราคาไว้ถามเขาบอกว่าจะไปนต่ยังไปไม่ได้เพราะไปเทศจะให้สตังก่อนเอาไหมเท่าแก่ก็บอกไม่ต้องเห็นหน้ากันเกือบทุกวันเขาไว้วางใจ แต่ว่าพอกลับมาปรากฏว่าของในร้านทั้งหมดเขาเขียนราคาสูงขึ้นไปหมดราคาเดิมไม่มีสมมติว่าราคาเดิมเป็น10บบาทตอนเช้ามองดูแล้วมันสิบบาทแต่ว่าตอนเย็นกลับมามันกลายเป็นิบสามบาทไปของบางอย่างกระเป๋าลูกนั้นประเภทเดียวกันถามเขาเวลานั่งค่าเงินมันสูงเข้า20สบาท ตอนเช้าเขาเขียนราคาย0สิบบาทในฐธาธนะที่ชอบกันไปบอกว่าฉันเอาลูกหนึ่งแต่ไม่ขอลดละถ้าแก่จะลำบากเพราะรู้จักกันดีเถ้าแกเลยบอกว่าท่านไม่ขอลดผมจะลดให้ผมเอา18บปบาทแต่ตอนเย็นพอมาถึงปรากฏกระเป๋าปเพเ่ทเั้นราคาขึ้นไป25บ้าบาทก็เลยถามว่าท่านเอแก่เมื่อเช้านี่มันยี่สิบาทนะ นี่แท้ตอนเย็นยี่ิบห้าบาทเชียา์ฝตั่งไหนมาซื้อเท่าแก่ก็เลยบอกว่ากระเป๋าของท่านอยู่ข้างหนครับผมไปเก็บไว้ข้างหนแล้วราคาผมเขียนเท่านี้เหมือนกันแต่ว่าทมรับฝตังจริงๆแค่สิบแปดบาทก็ถามว่าทำไมจำเป็นต้องขึ้นราคากันตามนี้ด้วยเรามันไวเกินไป เทาแก่ก็บอกว่าหลังจากท่านขึ้นรถไปแล้วไม่นานนะักประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งบอกให้ขึ้นราคาของไปเท่านั้นเท่านี้ต้องขึ้นราคาตามนี้เขาว่าของขึ้นไปกี่เปอร์เซนต์ก็แล้วกันให้ขึ้นราคาของไปอย่างและกี่เปอร์เซนต์ต้องทําตามเขาก็เลยถามว่าแต่เราไม่ขายตามเขาล่ะเราขายถูกเราจะขายได้ดี เขาขายแพงขายไม่ได้ดีเท่าแกก็เดยบอกไม่ได้รเรกก็รับถ้าไม่ขายตามเขาเราขาเขาเราขายถูกเขายาส่งคนมาซื้อหมดเมื่อซื้อหมดแล้วเราก็ไม่สามารถจะหาของราคาเท่านั้นมาขายได้อีกเพราะเขาขายแพงขึ้นมันมีความจำเป็นต้องขายตามเขาแต่ในที่สุดท่านเด็กแกก็เอากระเป๋าให้มารับเงินสิบแปดบาทตามเดิมเขามีความซื่อสัตย์ ด, ดี แต่ว่าป้ายที่เขียนไว้นั่นเป็นราคา25บาทเกก็สั่งว่าถ้าใครถามท่านให้บอกเขาว่าราคา25บาทนะครับไม่งั้นผมเสียแน่โดยความจริงเอาอาเมามาถึงว่าคนนั้นถามนี่ถามก็เลยบอกว่าจะบอกราคากันเลยราคาไม่ต้องบอกกันป้ายเขาเขียนเท่านี้ก็เชื่อเท่านี้ก็แล้วกันผมใจเท่าไรเป็นเรื่องของผม ให้ถือว่าป้ายเขาเขียนไว้เท่านี้ก็แล้วกันแต่ได้มาถึงญาติโยมพุทธบริษัทที่จะต้องบอกราคาเกินความจริงถ้าบอกคอนราคาสิบมาคอราคาสองบาทเราขายสิบบาทก็คอนลดแปดบาทแล้วก็บอกก็ไม่ได้หรอกฉันซื้อมาเ ก, ก้าบาทห้าสิบอันนี้ฉันได้ยี่สิบห้าสห้ได้ห้าสิบสตางเท่านั้นเอง ถ้าจะลดก็ลดได้เพียง25สิบหาตางค์อย่างนี้ก็โกหกเป็นภาษาวาดถ้าเป็ไงจริงจะไม่เป็นภาสาวาดก็ต้องตอบเขาเฉยๆว่าของต้นทุนมันแพงต้องขายเท่านี้ถ้าจะลดได้ก็ลดเพียงได้แค่ห้สิบสตางค์หรือยีสตางค์ลดเกินกว่านั้นไม่ได้เพราะต้นทุนมันแพงถ้าเขาถามว่าต้นทุนแพงราคาเท่าไหร่ ก็ตอบเฉยๆเพราว่าของมันหลายชิ้นด้วกันบอกยากเพราะต้องเปิดตำราเท่านี้ก็หมดเรื่องเราไม่เป็นมุสาวาดกงความว่าคนที่พูดมุสาวาดเป็นคนไร้สัจจะคนเกลียดแต่พูดตามความเป็นจริงบรรดาแท่พุทธประศัตชายหญิงไปที่ไหนใครก็ชอบคนทุกคนต้องการรับฟังวาจาที่ตรงตามความเป็นจริง แต่บรรดาญาติโยมพุทตุบริษัทชายหญิงก็ต้องระวังเหมือนกัน <c oughs> การพูดตามความเป็นจริงนั้นต้องเลือกเวลาอย่าพูดจนกระทั่งเขามีความเสียหายตัวหน้าประชาชนเกินไปต้องใช้ปัญญาด้วยว่าความจริงข้อ น, นี้เราควรจะพูดที่ไหนในเวลาพูดนั้นเป็นเวลาควรพูดแล้วหรือ ย, อยัง ถ้าเป็นเครื่องเครื่องสะเทือนใจเขาบุกคนผู้รับฟังเวลาที่เขาอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งพูดความจริงรอเวลาอารมณ์ดีจิตใจเขาสบายพูดอ้อมหน้าอ้อมหลังไปก่อนเห็นท่าว่าเขาจะยอมรับแล้วก็ไม่โกรธจริงควรพูดถ้าพูดไปแล้วผู้รับฟังโกรธปัญดาท่านผู้บริษัทนั่นหมายถึงความตายจะเข้ามาถึงผู้พูด ตามที่พูดกันแบบว่าวาจาจริงเป็นวิญญาเป็นวาจาไม่ตายแต่คนพูดตามความเป็นจริงอาจจะตายได้อันนี้ต้องระวังให้มากก็ถือว่าถ้าเราพูดตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงในบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทชายหญิงเลือกเวลาเหมาะเวลาสมใช้ปัญญาหน่อยอย่างนี้ถือว่าวาจาเป็นทิพย ท่านจะมีความสุขมากในฐานะที่คนทหลายมีความไว้วางใจในท่านสำหรับขั้บทสิบเลือกสิงข้อนี้อธิบายกันยาวข้อนี้มันยาวไปหน่อยนะต่อมาข้อหนึ่งคือวาจาหยาบวาจาหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจที่บรรดาญาโยามพุทธบริษัททั้งหลายถ้าไม่จำเป็นหยาบโพดเลย แต่ความจริงบาไกา่ก็จําเป็นต้องพูดจําเป็นต้องใช้แต่คนใช้เฉพาะบุคคลที่มีความจําเป็นของเราอย่างคนที่อยู่คนที่มีนิสัยละเอียดที่เป็นคนดีมากคนประเภทนี้ชอบปลอบชอบปลอบแล้วค่อยพูดค่อยจามีเหตุผลรับฟังและปฏิบัติตามคนประเภทนี้ทูตจายับ ตึงตังคงครามไม่ได้เสียหายกันเลยท่านี้ พ, พ่อไรพาะเธอมาจากสวรรค์ถ้าบงบังคนเป็นคนน้สยหยาบมาจากอบายภูมิถ้าพูดอ่อนโยนอ่อนหวานเสร็จแกขี่คอแน่คนประเภทนี้ไม่ต้องการวาจาดีต้องใช้วาจาหยาบตึงตังคงคราม อันนี้เฉพาะคนในปกครองของเรามีความจำเป็นต้องใช่เหมาะกับนิสัยแต่สำหรับกับเพื่อนบ้านอัรดาญาโยนทลายอาตมาคิดว่าใช้วาจาอ่อนโยนดีกว่าวาจาอ่อนโยนอ่อนหวานนี่เป็นประโยชน์มากทั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่าจะพูดที่ไหนใครก็ชอบจะพูดไหนใครก็รัก ได้ว่าสำหรับเพื่อนที่คบหาสมาคมกับสนิทก็ไม่แน่นักบางทีไปพูดเพราะเพาะเข้าเกย์ด่าเอาเลยหาวาดาจริตนึงคําว่าวาจาหยาบที่ก็ดูเฉพาะบุคคลบางคนได้เพื่อนคบหาสมาคมมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอาตมาพบท่านท่านหนึ่งสมัยที่ยังไม่แก่นักอาตมายังไม่แก่เกินไปนะ เวลานั้นเวลานี้ปัญหาหนุ่มจะไม่ได้อยู่แล้วมีแรงมาพูดได้กับุญตัวเวลานั้นยังไม่แก่เกินไปไปพบคนคนหนึ่งเคยเรียนหนังสือใช้บาถมมาด้วยกันเธอเป็นอธิบดีกรมกมหนึ่งพอไปพูดวาจาวนหวานเข้ากับชักกระชากเสียงว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้ เมื่อสมัยเป็นเด็กอย่าลืมนะวลีหนังสือโต๊ะเดียวกันความเป็นใหญ่เป็นโตสําหรับเพื่อนรักไม่มีสําหรับเรากับท่านเขาว่าอย่างนั้นว่าเพื่อนกันไม่มีอะไรใหญ่กว่ากันห้ามยกย่องสรรเสริญกันแบบนั้นนี่แบบนี้เขาก็มีนะแล้วก็มีคนหนึ่งเพื่อนกันซึ่งเขาเป็นคารวาัตเขาก็ไปพบเพื่อนของเขาเหมือนกัน คนนี้ออกมาจากโรงเรียนแล้วก็ไม่มีงานราชการทําเธอไม่อยากจะทําอยากทํางานส่วนตัวก็เดินไปเดินมาแปรพว้ค้าหาบเร่แต่ความจริงไม่ได้หาติดต่อของที่น่นเอามาขายที่นีน่ติดต่อที่นี่ไปขายที่น่นรู้สิวัย ไ, ได้ดีไรายได้ของเธอดีมากบางวันสมัยนั่นค่าของเงินยังยังแพงอยู่ ก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสตังค์บางวันเธอได้กําไรเป็นร้อยๆนับเป็นร้อยบางวันบางวันถึงพันอย่างไม่ได้เลยก็สองสามรอบาทนี่แค่เฉพาะกํากไรรวยมากดีก็ดีดว่ารับราชการเธอไปพบเพื่อนคนเพื่อ น, ค น, ค, นคนหนึ่งเป็นที่บดีเหมือนกันคําว่าเหมือนกันเหมือนกับเพื่อนอาตามาอีกคนหนึ่งไวติงก็ยกมือไหว้ผู้ครับ ท่านครับผมเขาให้ในอธิบดีหันมาด่าเลยบอกนี่มึงจะมาพูดกับกูอย่างนี้กูไม่ใช่นายมึงกูเป็นเพื่อนของมึงทีหลังห้ามพูดนะนายได้ก็บบอกว่าท่านเป็นอธิบดีก็แกก็เลยกรชากเสียงมาใหม่บอกกูเป็นอธิบดีสําหรับคนอื่นไม่ใช่อธิบดีของมึงมึงเป็นเพื่อนกูไปกินเหล้าด้วยกันทัวรไปกินเหล้ากันเลย กลวงความวาจาหยาบต้องดูเฉพาะบุคคลที่ควรไม่ควรกลวงความว่าแม้ถ้าใช้หวานหานเกินไปสำหรับเพื่อนก็ไม่ดีเหมือนกันแต่กล่าวเกินไปสําหรับเพื่อนบางคนก็ไม่ดีเหมือนกันต้องเลือกว่าจาใช้กลวงความว่าใช้วาจานิ่มนวลไม่หยาบคายมีประโยชน์กว่าเป็นที่รักขบุคคลทั่วไปนี่ว่าสําหรับคนทั่วไปนะเป็นคาถามมาเสน่เหมือนกัน เวลาเหลือห้านาทีย้ำไปมากซอยไปมากมันจะยุ่งแล้วของตามันจะไม่มจะจบไม่ทันเสียงก็แห้งลงมาทุกทีแรงมันหมดมันยังไม่ตายก็พูดไปก่อนพคดมันขาดใจตายไปเลย <c oughs> เกื่อความต่อไปวาจาสอเสียดเรื่องการยุแยงแต่แข่งแสปันดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายอย่าให้มีเด็กขาด อันนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราและท่านเรายยกเขาให้แตกกันก็อย่าลืมหอกนั้นมันจะสนองเราอย่าลืมว่าคนทุกคนเนะี่ยเขามีปัญญาที่แรกแต่เขายังไม่พบหน้าซึ่งกันและกันเขาอาจจะเชื่อเราในคนที่มีปัญญาเบาคือจิตสามไร้ปัญญาก็แล้วกัน ว่ารับฟังแล้วก็เชื่อเลยประเภทนี้ก็มีแบบนี้สร้างความแตกรละให้เกิดขึ้นมาเยอะคนบางคนเขาใช้ปัญญาก็มีเหมือนกันถ้าบังเอิญเขาพบหาสมมาเขาพบกันเข้าตายสวนเข้ามาเลยวาจาที่เรายุยงตะแคงแสไว้มันไม่ตรงตามความเป็นจริงตอนนี้ดับบันดาญาโยมพระตบริษัทชายิงเรื่องร้ายก็ตกกับเราเขาเกลียดอำนาจ ดีไม่ดีแทนวาจาจะต่อว่าใกลไปอาวุธไปก็ได้ก็าอาจจะจ้างคนมาฆ่าตายแล้วเขาจะฆ่าเองก็ได้ข้อนี้อย่าทำละสําหรับอีกว า, าระหนึ่งคือวาจาเพื่อเจอเ ห, หลวไหลหรือวาจาไราประโยชน์ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอยาใช้เป็นอิงขาดพูดไปมันก็เหน่อยเปล่าถ้าคนเลวเขารับฟังก็ฟังได้ ถ้าเป็นการเล่านิทานไม่เป็นไรไม่ไรประโยชน์สร้างความรื่นเริงบันเทิงใจเกิดกับผู้รับฟังนิทานใครๆก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่วาจาที่พูดกับเพื่อนถึงแม้ ว, ว่าไม่ใช่วาจาที่เป็นงานเป็นการแต่พูดไปไร่เหตุไละผลนิบรรดาเต่พุทธศาสตร์นิยมชนอย่าเชื่ออย่าพูดเลย ทางนี้พ่ออะไรก็พูดไปเราก็เป็นคนเสียวันหลังได้ไปเจอหน้ากันเข้าหรือเขาไม่พบกันเขาไม่พบกับคนอื่นใดเขาจะกล่าวว่าไอ้หมอ น, นั่นอ้หมอ น, นี่มันไม่ไดีพูดส่งเดชไรประโยชน์ต่อไปข่าวนี้กระจายมากพอเท่าไรก็ตามทีเราก็เป็นคนเสียเท่านั้นที่หลังย่พูดอะไรกับใครเขาเขาก็ไม่อยากจะฟังถ้ามีความทุกข์ ราตนาจะขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่อยากช่วยเขาก็ไม่เชื่อวาจาของเราที่ระ บ, บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตามที่สนญอนพูดตนว่าว้ว่าความจะช่วยระดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยพระจิวหานี่เป็นความจริงถ้าเวลาเป็นคนพูดดีหนึ่งพูดตามความเป็นจริงสองไม่พูดหยาบคายใช้วาจาไพเราะ สามไม่ส่อเสียดไม่ยุยงส่งเสริมเขาให้แตกราบกันสี่ใช้วาจาเฉพาะที่วาจาที่เป็นประโยชน์ทั้งสี่รายการนี้คำว่าโทษไม่มีกับเรามีแต่คนเท่านั้นจะไปที่ไหนใครจะพูดที่ไหนใครก็อยากรับฟังเขาชื่อเขาถือว่าวาจาเป็นทิพย์อัลบรนดาแทนพทระธรรษัททรรหลายวันนี้แรงก็จะหมดพอดีพูดไปเสียงก็กลัวไปเสียงก็แห้งไป ทนมาถึงเวลาสามสินาทีพอดีก็ขออํลลาห์เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่บรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี